เนี่ดูในเชิงอัดน้างล่างนะหน้าสองข้างล่างกล่าวถึงคัมภี์เนติปกรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยหาระกับนยยมูลบทสิบปดจริงๆนะหาระ16บหกนยะห้ามูลบทสิบแปดนี้นักศึกษาควรจำเนี่ยนะจำไม่ได้ก็ขอมาดูบ่อยๆ คำว่าคัมภีเนติเนี่ยนะแปลว่าสามารถนําเวนัยศัตว์ทั้งหลายไปสู่มรรคผลนิพพานนี่นะคือตัวที่นําสัตว์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สัตว์เนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานคําว่าเนติเนี่ยแปลว่านําไปนะโดยสัตว์เนี่ยแปลว่านําไปเช่นตันหาเนี่ยชื่อว่าเนติเหมือนกันตันหานี้ก็นําไปแต่นําไปไหนนําไปสู่กรารมาพบรูปประพบและอรูปประพบตันหาชื่อว่าเนติ ตัณหานำไปเกิดใหม่อ่ะนำไปเกิดในการมาพบรูปประพบและอารูปประพบฉันใดคัมภีเนติปกรณก็นำไปเหมือนกันแต่นำไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยนะคนละนำอ่ะนะตัณหานำไปเกิดคมภีเนติปกรณ์นำไปเพื่อเลิกเกิดเนี่ยนะก็คือจุดหมายนำเหมือนกันแต่คนละคนละคนละทางกันหรืออีกวิเคราะหหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเครื่องแนะนําเครื่องก็คือเหมือนกับ เขาเขเปรียบเทียบอุปมาว่าถ้าตัดต้นไม้นี่ใช้อะไรใช้ขวานใช่ไหมเครื่องมือในการช่วยตัดถ้าเดินทางนี่อาศัยอะไรรถเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเดินทางผู้ที่จะมีความรู้เข้าใจคําสอนเหมือนกันเนี่ยนะคำพีเนืติเนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยแนะนําให้เข้าใจคําสอนหรือคัมภีเป็นที่แนะนําเวนยาศาสตร์ทั้งหลายไปสู่มรรคผลนิพพานนั ซึ่งคำว่าคำพีเป็นที่แนะนำเนี่ยนะแนะนเวนยศัตร์ให้ไปสู่มรรคผลนิพพานหมายความว่านักศึกษาทั้งหลายที่ปรารถนามรรคผลนิพพานต้องมาเรียนคำพีนี้นะแต่แต่บางท่านก็บอกเอ๊ะคำพีเดียวหรืออันนี้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือหมายถึงว่าสำหรับผู้ที่อยากจะขยายอะไรย่อๆให้พิสดารได้คือไม่ไม่พยายามคิดอะไรแง่เดียวอ่ะนะไม่พยายามมองอะไรสิ่งเดียวอะ่ะ ควรศึกษาเนติปรกรณ์เพราะเนติปรกรณ์เป็นคมภีร์ที่ไม่ได้มองอะไรเง่เดียวเรียกว่าเป็นผู้ที่มองรอบด้านจริงๆองเป็นการมองรอบมองรอบทั้งโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะเป็นอย่างดีที่เหลือก็วิเคราะห์ศัพท์นะแต่ว่าควรทรงจาําไว้อย่างหนึ่งว่าคัมภีร์ที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานชื่อว่าเนติปรกรณนะนะก็ขเข้าใจอัดอันนี้ก่อนก็ใช้ได้ ส่วนในอุเทศวาระนะอุเทศวระก็เอาหาระสิบหกนยะห้ามูลบทสิบแปดมามาบอกว่าหาระสิบหกคืออะไรนัยะห้าคืออะไรมูลบทสิบแปดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้เขาเขาไม่แปลให้เพราะเขาให้ท่องอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนิเทศวาระจะบอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ คือคือถ้าไปแปลเฉยๆแปลแบบธรรมดาโดยที่ไม่รู้อัตถามันแปลก็ประโยชน์ไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยนะท่านท่านก็เลยเแต่ในอัตถกถาท่านก็แปลให้นะแต่ของมาแปลไม่ได้ก็เป็นภาษาบาลีทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ก็เป็นภาษาบาลีแต่เราค่อยไปทำความเข้าใจาต่อเมื่อเรียนนิเทศเนี่ยนะสรุปว่าฮาระสิบหกก็ควรจำ เทศนาวิจโยยุติปทัาฐานโนจะลัคนโนจะตุปโยหัวอวัตโตจาวิพัติปริวัตโนเนี่ยนะท่องเป็นภาษาบาลีก็อาจจะคุ้นหน่อยใครไทยถนัดภาษาไทยก็เอานะหาระสิหก็ประกอบไปด้วยนะหนึ่งเทศนาหาระสองวิจัยวิจยานะวิจัยนั่นเองอะ่ะวิจัยหาระสยุติหาระสี่ปธาฐานะหาระหลัคนะหาระหจะตุปโยหะหาระ เอาวตตหาระ 8. วิพัติหาระ 9. ปริวัฒนหาระ 10. เววัจนะหาระเววัจนะคือวัยพจน์น่ยสอก็ปัญญัติหาระ 12. โอตรนะหาระ 13. โสธนะหาระ 14. อธิฐานหาระ 15. ปริขาระหาระและส6เนี่ยสมาโรปนะหาระในหาระ16ที่ข้าพเจ้าแสดงนั้นไม่มีการปะปนระคนกันโดยเนื้อความคือแสดงว่าเนื้อความนี้ก็จะแยกกันะนะ คือไม่ได้ปะปนอะไรกันหรอกการจําแนกโดยนัยยะอันสมควรจะมีโดยพิสดารต่อไปอันนี้ให้เขาเรียกว่าหัวข้อเฉยๆถ้าเป็นหนังสือนะเขาเรียกสารบัญตรงนี้นะคือในภาษาบาลีเขาไม่ได้พิมพ์แบบเราใช่ไหมพอที่จะบอกสารบัญแบบหน้านี้อยู่ตรงนี้นะขึ้นขึ้นสารบัญ น, นะเพราะฉะนั้นอุเทศวาระคือสารบัญ น, นั่นเองเป็นเป็นสารบัญสังหาวาระก็คือคํานําของท่านนะนะห อุเทศวาระคือสารบัญเขาเรียกอีกชื่อหนึ่ง เ, เรียกมาติกาก็ได้หัวข้อนะแม่บทนะแม่บทที่คือในในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะไม่อยู่ๆแล้วแสดงอธิบายไปโดยที่ไม่มีไม่ใช่เขาจะวางหัวข้อไว้ก่อนวางหัวข้อเป็นเป็นเรียกว่าแม่บทแล้วจะขยายไปตามแม่บทพอจบแล้วขึ้นหัวข้อใหม่แล้วขยายไปตามนั้นอันนี้ลักษณะพระไตรปิฎกเป็นแบบนั้นส่วนนิยห้าก็คือ 1. น, นะนันทิยาวตัตนายสองติดบุคละในสามสีหาวิกีลิตะในสี่ที่สาโลจนะในห้าก็อังกุสะในส่วนมูลบทสิบแปดนี้ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกุศลกุศลระบทกับอกุศลระบทอย่างละเก้าอากุศลระบทนี่คือเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มอีกนะตันหากับอวิชานี่อีกชุดหนึ่งจำไว้เลยนะ แยกเป็นชุดอะตันหากะวิชาโลภ้าโทสะโมหะก็จําไว้ว่าเป็นมูลเนี่ยนะคือคือมูล3แล้วก็วิปลาสอีก4นนี่อนเน้ยตันอะกวิชาตันหาชุดที่1 น, นะสก็โลภ้าโทสะโมหะชุดที่2ชุดที่3ก็วิปลาสสี่สุภ้าสัญญาสุขะสัญญานิจจสัญญาและอัตตาสัญญาพวกนี้เรียกว่าวิปลาส4ประการ ธรรมะที่เป็นฝ่ายอากุศลทั้งหมดย่อมถึงการรวมเข้าในอกุศลระบทเหล่านี้นะว่าอากุศลทุกชนิดนั้นไม่มีเกินนี้หรอกอันนี้หัวข้อของ อ, ก, อกุศลนัสารพัดอกุศลเนี่ยมีประธานอยู่สี่สี่สี่อ่อขออภยัยมีประธานอยู่กเก้านี่แหละมีประธานคือตันหาการวิชาชุดหนึ่งถ้าแยกคู่นะคือตันหาการวิชาเนี่ยอยู่ในกลุ่มนันทิยาวัตนยัย โลพาโทสะโมหะอยู่ในกลุ่มติปุคละในสุภาสัญญาเป็นต้นอยู่ในสีหวิกีลิตะในส่วนสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอกุศลคือกุศลกุศลบทนี้ก็แบ่งออกเป็นเก้าอีกเหมือนกันคือสมถะกับวิปัสนาสมถะนี้เป็นตัวกำจัดตัณหาวิปัสนาเป็นตัวกำจัดอวิชชาอนนะอาโลพาอะโทสะอโมหะก็เป็นเครื่องกำจัด อโลภอะโทสะอะโมหะนะแล้วก็อะสุพาสัญญาเป็นต้นก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละเป็นสติปัฏฐานตัวที่กําจัดวิปลาสนะเพราะอะสุพาสัญญาก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานทุกขสัญญาก็คือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานอนิจจสัญญาก็คือจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานอนัตตาสัญญาก็คือธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเองก็คือสติปัฏฐานสี่ เป็นเครื่องกำจัดวิปลาสข้างบนสี่เนี่ยส่วนที่สังเกตนะว่าตรงไหนที่เขามาพิมพ์พิมพ์แบบมีการย่อหน้าย่อหลังขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกคาถาคาถาก็คือกรอนแขกอะ่ะไม่ใช่กรอนไทยนะกรอนไทยมันจะคลองแบบไทยใช่ไหมกรอนแขกก็จะคล้องแบบแขกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาแปลมาเป็นไทยเอ๊ะไม่เห็นคลองอะไรดูไม่เหมือนคาถาเลยอนยะ่างนั้นนอะ แต่ถ้าเป็นเขาท่องเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจะคล้องกันเขาเขาเอาน้ำหนักเสียงเป็นเกณฑ์่ะนะเช่นอย่างเช่นเทศนาวิจโยยุติปทัตทาโนจะรัคโนจตุปยูโหอาวัตโตจะอะไรเขาจะมีสำนวนของเขาอยู่เขาเป็นกรนของเขาอะนะของเรามาว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกรนเลยสักอย่างะนะแต่ให้รู้ว่าเขาแปลมาจากคำกรนนะสัมผัสแขกไม่สัมผัสไทย อันนี้โดยความเนื้อความโดยสรุปนะในอุเทศวาระแบ่งเป็นสามกลุ่มนะจสามกลุ่มคือหนึ่งหาระสิหกกลุ่มที่แรกนะกลุ่มที่สองนัยยะห้ากลุ่มที่สามมูลบทสิบแปดอันเนี้ยอุเทศเขามีอยู่เท่านี้เลยหัวข้ อ, อไม่ทราบพอจับอะไรได้บ้างไหมจริงอะนะจับได้สามคำนี่ใช้ได้อนะเอาในแรกก่อนนะคำพีหมายคือว่าไงคำพีเนี้ยในเ น, นติเพราะ นำไปสู่มรรคผลนิพพานอันนี้ก็ใช้ได้แล้วหนึ่งอันนสองสาศาสนามีกี่อย่างสาปริยัติกับปฏิบัติปฏิเวทปริยัตมีสองคืออัดกับพยัญชนะคำพีเนติแปลว่านำไปสู่มรรคผลนิพพานคำพีเนติเนี่ยเฉพาะตรงนี้นะที่หัวข้อขึ้นมาให้นี่มีอยู่สามกลุ่มหาระหาระสองนยะ ส ม, มูลบท18บนี่มาขึ้นรายละเอียดเลยไหมขึ้นรายละเอียดเลยน ะ, ะวิธีศึกษารายละเอียดแบบย่อๆเนี่ยนะถ้าจะให้เข้าใจหน้า5ดีหน้า5คือนิเทศสวาระน ะ, ะกรุณาพลิกไปหน้า2 29เลยเนี่ยนะเพื่อที่จะเรียนแบบย่อก่อนศึกษาเนตรอาระแบบย่อๆก่อนนะไปเรียนหน้า2 29ก่อน ที่ชื่อว่าเนติสารัตถีปณีทีปณีก็คือประทีปแปล ว, ว่าส่องสว่างเนติก็คือหมายถึงคำพีนั่นเองสารัตถก็คือเนื้อหานะก็คือคำพีที่ส่องเนื้อความของคำพีเนติให้เห็นแบบย่อยๆในหาระกันกล่าวว่าสังวน า, นาพิเศษสังวน า, นาแปลว่าคำอธิบายนะคำอธิบายพิเศษที่พระมหากาจัจจยนะเถระ ผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎกและเป็นเอตตทัคะทางขยายความดวยโดยย่อให้พิสดาลรสจนาไว้เพื่อพันน า, นาอธิบายขยายความพระพุทธพจน์เรียกว่าเนติเพราะสามารถนำเวณยศัตร์ทั้งหลายไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะคำว่านิจิแปล ว, ว่านำไปอยู่แล้วนะนำไปสู่มรรคผลนิพพานที่เหลือก็เป็นวิเคราะห์ศัพท์ เช่นผู้ที่เรียนภาษาบาลีมาก็จะมองออกว่านยะตีติเนติคัมพีใดย่อมนำเวนัยสัตว์ทั้งหลายไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะเหตุนั้นคัมพีนั้นชื่อว่าเนติอันนี้เป็นกัตตุสาธนะบ่งถึงตัวคัมพีเลยว่าเป็นคัมพีที่ช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานจริงๆส่วนที่สองนยติเอตาญาติเนติบุคคลผู้แสดงธรรมทั้งหลายย่อมแนะนําเวนัยบุคคลด้วยคัมพีนี้เพราะฉะนั้นคัมพีนี้จึงชื่อว่าเนติ แปลว่านักเทศทั้งหลายนะหรือผู้สอนทั้งหลายเนี่ยเขาจะอาศัยคัมพี์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยสอนช่วยสอนให้ให้ผู้เพราะไม่ไม่เอาเนติมาช่วยสอนไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนใช่ไหมไม่งั้นก็ว่าเอาเองอย่างเดียวอ่ะการเรียที่ทสอนก็ต้องเอาเนติเนี่ยมาเป็นเครื่องมือช่วยในการอธิบายคําสอนเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ในแง่ที่สองว่าคือเป็นเครื่องมือของนักพูดนักเท ศ, น, เทศนักแสดงธรรมทั้งหลายอย่างนั้นใช่ส่วนในย่าที่สาม นียันติเอธถาติเนติเวนยัยยบุคคลทั้งหลายอันบุคคลผู้แสดงธรรมย่อมแนะนําในคัมภีร์นี้แปลว่าคนที่จะเรียนนะก็ควรเรียนคัมภีร์นี้แหละเนี่ยนะพอไปเรียนที่อื่นนะไม่ทํำยังไงอจะเข้าใจคําสอนได้อ่าในการกล่าวแบบนี้นะเป็นการพูดแบบมีส่วนเหลืออย่างอย่างเราเราศึกษาประไตรปดกเนี่ยนะพอเขาชมพระอ น, นุ์ก็บอกพระอนุนเนี่ยดีมากพอไปพูดถึงพระมหากรสปะก็บอกพระมหากรสปะดีมาก แต่เขาจะไม่พูดแบบพร ะ, ะอนนท์ดีกว่าพระกัสสปะพระกัสสปะดีกว่าพระอนนท์เขาจะไม่มองในแง่นั้นฉั้นใดก็ดีการพูดคัมภีร์นี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้โหเสร็จแล้วบอกมแม้เนติอย่างเดียวแล้วปฏิเสธคัำพีอื่นไม่ต้องเอาเนติอันเดียวก็พอไม่ใช่อย่างนั้นแต่พันเวลาเราเรียนเนติก็ต้องชมเนติไปก่อนพอไปเรียนอภิธรรมมัสังหะก็ชมอภิธรมมรมสังหะอี ก, ก น, นะว่าลักษณะนั้นแต่ยาอาไปก้าวไกลกันว่าเนติดีกว่าอภิธรรมมัสังหะเขาไม่ไม่มองแบบนั้น นะก็เหมือนกับตั้งโจทย์ว่าพ่อกับแม่ใครดีกันไม่ควรตั้งโจทย์ใช่ไหมตั้งโจทย์แบบนี้เสียหายมากผู้หญิงกับผู้ชายไหนดีกันนะเขาวิธีแบบเนี้เขาไม่ให้ตั้งโจทย์หรอกนะนี่ก็เหมือนกันนะว่าเวลาเราเรียนคัมภีเนติก็จะชมว่าโอ้เนตินี่นาไปสู่มรรคผลนิพพานทํำให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะชมลักษณะนี้ไปแต่จะไม่เอาไปเปรียบกับคำพีอื่นเพราะนะเปรียบแล้วจะมีปัญหา ทีนี้คำพีเนติปรกรณ์เนี่ยถ้าว่าโดยลักษณะสามันเนี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นลักษณะทั่วไปของคมภีร์เนติปรกรณ์คือยังไงคือนำไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยนะถ้าว่าโดยสามมันนะธรรมดาของคมภี น, นี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าจะแยกคือจำแนกโดยลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างก็มีสามประการคือหนึ่งหาระได้แก่วิธีที่ช่วยขจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจในผิดในพุทธพจน์ อัดอันนี้เนี่ยแสดงอัตามอัตถกาานนะว่าหาระได้แก่วิธีช่วยขจัดความหลงสมโมหะในความหลงสังสยะคือความสงสัยและวิปลาสคือความเข้าใจผิดในพระพุทธพจ น, น์นะพันหาระนี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยช่วยเนี่ยกำจัดความหลงความสงสัยและวิปลาสเข้าใจผิดนะก็มาจากบาลีว่าวิปลาสจาหาระได้แล้วนะ หาระแปล ว, ว่าวิธีช่วยกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์เชื่อว่าหาระส่วนนยะเนี่ยนยะก็คือในอ่ะนะในอ่ะให้รู้อกุศลธรรมอันเศร้ามองและกุศลธรรมอันหมดจดคือหมายถึงว่าวิธีเขาคิดธรรมะเนี่ยเขาจะไม่คิดแต่กุศลหรืออกุศลอย่างเดียวเขาจะมองการเปรียบเทียบกันเขาจะมองดำกับเช่นพูดดำกับขาว กูสนก็จะมองว่ากุศนกับอากุศลถ้ากุศลเนี่ยนามันผลมันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าอากุศลเนี่ยตรงกันข้ามมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นยยะนี่ก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับมีฝ่ามือนะเม้มนมีมือแล้วก็พลิกดูข้างหน้าข้างหลังพลิกข้างซ้ายข้างขวาหรือเปรียกมือซ้ายมือขวาแล้วก็เอ๊ะยัยงไงเขาจะลักษณะนี่ลักษณะของนัยยะจะเป็นแบบนั้นคือเป็นการหมุนการพิจารณาโดยรอบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวนัยยะเป็นตัวที่ทําให้รู้เนื้อหานะ เป็นการมองเนื้อหาส่วนหาระเป็นการมองพยัญชนะเป็นการมองคำพูดเนี่ยนะส่วนศาสนปรปฐานอันนี้เป็นการแสดงประเภทของสูตรที่พระพุทธเจ้าเทศอันะคือถ้าคนที่เรียนศาสนาปฐานมาเนี่ยจะมีประโยชน์คือเวลาอ่านพระสูตรปั๊บเนี่ยจะจับมองออกเลยว่าสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระเสขหรือสอนพระอาเศขสูตรนี้สอนอ เป็นสูตรประเภทไหนแสดงโทษของอกุศลหรือแสดงคุณของกุศลหรือแสดงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหรือสอนเพื่อให้ชําแรกกิเลสเนี่ยนะเขาจะมองสูตรออกโดยอาศัยนยาปัตสานพฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นาาศาสนประฐานเป็นวิธีดูสูตรว่าสูตรนี้อยู่ในกลุ่มไหนนะถ้าถ้าเราจำโครงสร้างาศาสนประฐานได้ก็เป็นเหมือนกับเป็นไม้บรรทัดเอาไว้วัดนะวัดดูเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรอะไรสูตรนี้เป็นสูตรอะไร อย่างถ้าอ่านอังคุตระนิการจะบอกบ่อยว่าสูตรนี้เป็นว ต, ตวิวั ต, ตะน์นีรู้แล้วเนี่ยเราก็จะมองจากาศาสนประธานก็จะมองออกแล้วเนี่ยถ้าเป็นวิวั ต, ตะนี่เป็นพระเสขะหรือเป็นอาเสขะของพระพระโสดาบันเป็นต้นหรือของพระารหารก็จะมองออกไปอีกเนี่ยถ้าหากว่ามองพวกนี้ไม่ออกแต่ทําไม่อธิบายธรรมะจะไม่มีปัญหาถ้าเก็บไว้เฉพาะตัวนีความไม่รู้นั้นถ้าอยู่เฉพาะคนเดียวไม่มีปัญหาเลยอย่าเผยแพร่เผยแพร่แล้วเดือดร้อนนีด ตรงนี้ก็ว่าโดยสรุปของคัมภีร์เนติว่าพิเศษของคัมภีร์เนติโดยเนื้อหามีสามอย่างคือหาระนยะและสาสนประฐานถามว่าอะรมูลบทสิบแปดหายไปไหนล่ะไม่ยกมาแสดงอีกอยู่ในนยะอยู่แล้วอันนะเป็นรายละเอียดของนยะอวิชากับตันหาอยู่ที่นันทยาวัตนยัย โลพะโทสะโมหะอยู่ในติปุขละในะสุภาพวิปลาสนิจะวิปลาสุขาวิปลาสอตาวิปลาสอยู่ในศีหะวิกีลิตะในส่วนที่สองที่เหลือก็เป็นการทบทวนเฉยๆในยะสุดท้ายเป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นมูลบทสิบแดอยู่ในยยยะนี่มาขึ้นหาระเลยนะอย่างคำว่าหาระที่กล่าวไปตอนแรกว่าวิธีขจัดความหลงหลงตัวนั้นก็มาจากโมหะนะ วิธีกำจัดโมหะกำจัดสงสัยคือวิจิกิจฉาสังสยะเนี่ยนะความสงสัยแล้วก็วิปลาดเข้าใจพระพุทธพจน์คลาดเคลื่อนไปเนี่ยนะนเพราะนี่คือหระละเขาก็มีวิเคราะห์ศัพท์ว่าวิธีใดย่อมกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์อันมีองค์เก้ามีสุตตะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นคำพ์นั้นชื่อว่าหาระ คำพีกำจัดความหลงสงสัยและเข้าใจผิดที่แล้วก็วิเคราะห์แบบว่าผู้ที่จะบรรยายธรรมเนี่ยนะก็อาศัยคำพีนี่แหละช่วยบรรยอาศัยลักษณะหาระเนี่ยถ้าไม่เอาหาระมาจับนะเวลาขยายก็ไม่รู้จะขยายเดินเรื่องไปยังไงนะส่วนอีกนัยยะหนึ่งกล่าวว่าหาโรวิยาติหาโรเนี่ยนะวิธีที่เปรียบประดุดสร้อยสังวานรัตนะ ที่ช่วยระงับความเร่าร้อนกวนกวายของผู้ต้องการสิ่งนั้นชื่อว่าหาระคือใครที่เร่าร้อนกวนกวายด้วยอำนาจกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเข้าใจหาระก็ช่วยให้สงบประงับเยือกเย็นได้เหมือนกับว่าผู้ที่ไม่มีเครื่องประดับแล้วก็ไม่สบายใจใช่ไหมเร่าร้อนใจถ้ามีเครื่องประดับก็เบาใจละมันถ้า ง, งานไหนไม่ได้มีเครื่องประดับไปสักชิ้นเนี่ยยิ้มออกไหมถ้าเป็นพระไม่เป็นไรนะสบายมากทุกงาน เป็นโยไ ม, ไม่มีเครื่องประดับสักชิ้นเลยนะไปแล้วเอ ย, ยังไงรู้เปล่าส่วนที่เหลือก็เป็นคาถาร้อยกรองนะสาหรับท่องนี่มาขึ้นเทศนาหาระเลยนะให้รู้เทว่าพูดหน้าห้ากับหน้าสอง้ยสาสิบเนี่ยแสดงควบคู่กันไปเลยก็คือสิ่งเดียวกันนะหน้าห้าที่ในนิเทศวาระนะกับในหน้าสอง้อยสาสิบเทศนาหาระเนี่ยเป็นต้นไปก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเอง ของเราจะเรียนทีละหาระเนี่ยนะคือเรียนหาระแบบเนี่ยขยายระดับหนึ่งแล้วก็ลงไปสู่ปฏินิเทศเลยนะแต่นี้เราก็มาเรียนหาระแบบสังเขปก่อน <c oughs> ทวนอีกครั้งว่าหาระคือวิธีขจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดนีหาระมีทั้ง16อย่างอะเนี่ยนะที่จะช่วยกําจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดหาระอันแรกคือเทศนาหาระ เทสน า, าระนี้คือวิธีอธิบายพระพุทธพจน์โดยจำแนกเป็นอัดหกมีอัดสาธะเป็นต้นแล้วนำไปสงเคราะห์ลงในอริยสัจสี่เนเอาอัดหกของเทสน า, าระนะอัดหกนี่ประกอบไปด้วยอัดสาธะนะหนึ่งอัดสาธะสองอาทีนวะสนิสรณะสี่พระห้าอุบาย หกอนัตนะเอาอัดหกประการเนี่ยไปประมวลลงอริยศาสตร์สี่เชื่อว่าเทสน า, าระอานะอัดหกอย่างนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะพระไตรปิฎกมีมากเหลือเกินเนี่ยหกหกคำเนี่ยนะมีมากมีใช้บ่อยมากถ้าใครจำอันนี้ไปใช้เนี่ยอ่านพระไตรปิฎกสบายมากอัดสาธาอาทีนวะนิสรณะนะผลอุบายอานัตเนี่ยนะนลักษณะเนี่ย โดยเฉพาะสามคำแรกนี่ยิ่งใช้บ่อยใช้กราดเกลื่อนมากเลยนะพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกเขานิยมแปลว่าคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกเนี่ยนะอัสธาทานี้ไม่ได้แปลว่าคุณนะคุณแบบไทยๆนะแต่ในพระไตรปิฎกเขานิยมแปลว่าคุณซึ่งก็ไม่ค่อยตรงนะักอัศาธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะซึ่งเขาก็ว่าเป็นบาลีว่า อัศาธาทีนวตานิสรนำปิจพลังอุปายโยจะาอานาตีจพะพระวโตโยคีนางเทศนาหาโรเนี่ยนะว่าอัศธานะอัศธานี i แปลเพาแปลบอกว่าน่ายินดีนะโดยทั่วไปก็บอกว่าน่ายินดีแต่ว่าโดยอัดหรือเนื้อความเนี่ยอัศธาเนี่ยมีอยู่หกอย่างเองกหมืนกันขยายไปแล้วตัวศัพท์ว่าอัศธาหนึ่งสุข 2. โสมนัส 3. มอิทธารมอิทธารมก็คืออารมณ์ที่น่ายินดีสี่ตัณหาห้าวิปปาฏก็มีห้าทนะไม่ใช่4ี่พัออาอสสาธามีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะทัวในครั้งหนึ่งหนึ่งสุขสองโสมนัส 3. อิทธารมแปลว่าอารมณ์ที่น่ายินดีสี่ตัณหาห้าวิปปาฏ ดูตามนะในหน้า2องสาสิบอ็ดนะของมาไม่ได้ว่าที่อื่นนะดูตามแต่ว่ามาแยกให้เห็นเท่านั้นเองมาแยกให้เห็นในบรรดาอัฏฐะหอย่างนั้นสุขโสมนัสอิทธารมที่น่ายินดีและตันหาวิปลาสที่เป็นเหตุยินดีชื่อว่าอัฏฐะเนี่ยนะมันถ้าแยกๆออกไปแล้วจะได้ห้าอย่างคือหนึ่งสุขสองโสมนัสสามอิทธารมสี่ตันหาห้าวิปลาสทีนี้ถ้ามาแบ่งอีกว่าสุขโสมนัสอิทถารมเนี่ย ตัวเขาเองน่ายินดีแสดงว่าหมายถึงสิ่งที่น่ายินดีถ้าใครผู้การเรียนเรื่องกามมาก็จะเข้าใจว่าสุขโสมนัตอิทธารมคือวัตถุกรมนะจำไว้อย่างนี้ก็ง่ายสุคโสมนัตอิทธารมคือวัตถุกามตัญหาวิปลาสที่เป็นเหตุยินดีก็คือกิเลสกรมแบ่งเป็นอย่างนี้ก็ง่ายดีนวะวัตถุการมก็คือสิ่งที่น่ายินดีนะน่าพอใจมากส่วนกิเลสกรมก็คือตัวกิเลสที่ไปยินดี วัตถุกรรมนี่โดยทั่วๆสมมติว่าไปเห็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งน่าชอบใจนะไปไปเห็นแก้วน้ำแม้สวยมากแก้วน้ำเนี่ยเป็นวัตถุกรรมหรือเป็นอิทธารมส่วนไอความชอบใจในแก้วน้ําเป็นกิเลสกามเนี่ยนะเป็นตัณหานั่นเองนะพันคำว่าอาสาท่นี้มีความหมายรวมสองอย่างทั้งสิ่งที่น่ายินดี และตัวความยินดีมันหมายถึงทั้งภายในและภายนอกเนี่ยนะเพราะองค์ประกอบถ้าเราจะชอบอะไรมันก็ต้องมีสิ่งที่ถูกชอบใช่ไหมเพราะสิ่งนั้นน่าชอบเราจึงชอบอั้นก็เลยแบ่งเป็นสองอย่างนะสิ่งที่ถูกชอบกับการเข้าไปชอบเช่นความสวยของผ้าทําให้คนชอบคนที่ชอบเพราะผ้าสวยอย่างนี้ก็ได้ถ้มองทั้งสองอย่างนะคู่กันทั้งวัตถุกา ร, รมและกิเลสกรรมเป็นของคู่กันเนี่ยนะ นั้นคำว่าอาัศธาเนี่ยรวมทั้งวัตถุกรรมและกิเลสกรรมคือคือต้ององค์ประกอบสองอย่างเนี่ยนะหนึ่งสองสวยแล้วก็มีผู้ชอบที่ผู้ชอบเพราะสวยนะก็คือรวมกันอนะเพราะสวยจึงชอบที่ชอบก็เพราะสวยทีนี้คําว่าสุขออขอบเขตแค่ไหนสุขก็เฉพาะสุขเวทนานะคำว่าสุขนะสุขเวทนาโสมานัตละ่ะ แปลว่าความสบายใจสุมาจากสบายเนื้อดีมณะแปลว่าใจโสมนัสก็คือคนใจดีอ่นะความน่าใจดีเช่นหัวเราะร่าเริงพวกนี้เรียกว่าโสมนัสหรือแปลไทยๆว่าสบายใจอนะส่วนอิทธารมก็คือพวกรูปเสียงกลิ่นรสโทสะท่ที่น่าปรารถนาทั้งหลายอันนี้เป็นวัต ถ, ถุกรรมส่วนตันหาและวิปลาสอันนี้เป็นความเมาในจิตนะตัวนี้เป็นกิเลสเป็นตันหาที่อยู่ภายใน ตัหาก็การมตันหพาะวตันหาวิภาวะตันห า, ว, ะ ว, ะนหาวิปรารก็คือความเข้าใจคลาดเคลื่อนถ้าจิตตวิปรารนะความเข้าใจคลาดเคลื่อนสัญญาวิปรารสำคัญหมายคลาดเคลื่อนที่ถีวิปรารก็เห็นคลาดเคลื่อนเพราะในทั้งห้าความหมายเนี่ยรวมอ์ไว้สับเดียวคืออัศทะนั่นะอัาธ ะ, าธะส่วนอาทีนวะหละ นาทีนวะได้แก่ทุกขเวทนาสังขารทุกสังขารทุกนี้สับนี้กว้างอ่ะนะสังขารทุกนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะอันนั้นแหละเรียกว่าสังขาระทุกข์ละก็ทุกข์เพราะเหมือนกันเรียกว่าทุกข์เพราะไม่เที่ยงส่วนทุกข์อันแรกทุกขเวทนาเนี่ยแปลว่าทุกขเพราะเจ็บปวดเจ็บกายเจ็บใจเนี่ยนะทุกขตัวแรกแปลว่าเจ็บปวด ถามว่าเรากลัวทุกแรกหรือทุกหลังมากกว่ากันแน่ใจนะกลัวทุกแรกอยู่แล้วนะถ้าทุกหลังไม่คือทุกหลังถ้าไม่นํามาซึ่งทุกแรกทุกหลังก็ไม่น่ากลัวแต่ในที่สุดอ น, นะไอ้สังขาระทุกมันก็นํามาซึ่งทุกคเวทันได้อยู่ดี